คาถาอนุโมทนาการถวายวิหารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาานาถบินดิกะข้าบอดีด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าวิหาร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 พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ของตนพึงสร้างวิหารอันเรื่อนรมถวายภิกษุผู้พระหูสูตรให้อยู่ในที่นี้เถิดอีกประการหนึ่งผู้เป็นบัณฑิตมีจิตเลื่อมใสในภิกษุพระหูสูตร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 ทรงอนุโมทนาแกอนาถบินิกะขหาบดีด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วทรงลุกจากอาะสนะเสด็จกลับ